พืชผักผลไม้พืชผักผลไม้ที่พระฉันได้และฉันไม่ได้พืชผักผลไม้ที่สามเณรหรือโยมทากับวิยะคือการทำพืชผักผลไม้ที่จะปลูกขึ้นได้อีกให้เป็นอาหารที่สมควรแก่การฉันของพระพิสุ ตามพระธรรมวินัยที่ทรงบัญญัติไว้แล้วพระจึงนำไปฉันได้ไม่ต้องอาบัตถ้ายังไม่ได้ทำให้สมควรพระฉันไม่ได้ถ้าฉันต้องอาบัตเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นในสมัยเมื่อพระพุทธองค์ทรงพระชน์อยู่ว่าพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตได้มีสวนมะม่วงเป็นอุทยาน กำลังมีผลดกเต็มไปหมดพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาในพระศาสนาอย่างมั่นคงจึงทรงอนุญาตให้พิสุทั้งหลายเก็บฉันได้ตามสบายครั้งนั้นพิสุฉัพพัตคีได้สอยผลมะม่วงทั้งแก่และอ่อนๆไปฉันจนหมดภายหลังพระราชาทรงประสงค์จะเสวย ก็ให้มหาเล็กนำมาถวายมหาเล็กก็กราบทูลว่าพิสุทั้งหลายเก็บมะม่วงไปฉันหมดแล้วพระองค์ทรงรับสั่งว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายฉันมะม่วงหมดก็ดีแล้วแต่พระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญการรู้จักประมาณเมื่อประชาชนรู้เรื่องนี้เข้าต่างก็เพ่งโทษติเตียน โพธนาต่างๆส่วนพิสุผู้มีศีลทั้งหลายทราบเรื่องจึงได้กาบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทว่าพิสุทั้งหลายพิสุไม่ควรฉันมะม่วงรูปใดฉันต้องอาบัตทุกกดต่อมาก็มีเรื่องเกิดขึ้นอีกว่าชาวบ้านถวายพัตตาหาร แก่พิสุสงเขาจัดมะม่วงเป็นชิ้นๆไว้ในกับข้าวพิสุทั้งหลายรังเกียจจึงไม่รับประเคีนฉันพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตว่าพิสุทั้งหลายพวกเธอจงรับประเคีนฉันเถิดเราอนุญาตมะม่วงเป็นชิ้นๆต่อมาอีกไม่นานก็มีเรื่องเกิดขึ้นอีกว่ามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง ถวายพัตตาหารแก่พิสุสงฆ์แต่เขาไม่ได้ฝานมะม่วงให้เป็นชิ้นๆในโรงอาหารล้วนเต็มไปด้วยมะม่วงทั้งสิ้นพิสุทั้งหลายรังเกียจจึงไม่รับประเคนฉันพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พิสุฉันผลไม้ต่างๆด้วยวิธีการทำสมณะกัปปะคือวิธีการทำอาหาร หรือผ ล, ลไม้ต่างๆให้สมควรแก่การที่พิสุจะถือเอามาฉันได้โดยใช้ให้ทำด้วยคำพูดอันเป็นสมณะโวหารหรือคำพูดที่สมควรแก่สมณะที่จะใช้พูดในโอกาสต่างๆดังที่พระพุทธองค์ตัดไว้ว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายพวกเธอจงรับประเคนฉันเถิด เราอนุญาตให้ฉันผลไม้โดยสมณะกับปะห้าอย่างคือ 1. ผลไม้ที่จี้ด้วยไฟ 2. ผลไม้ที่กีด้วยมีด 3. ผลไม้ที่จิกด้วยเล็บ 4. ผลไม้ที่มีเมร็ดอ่อนห ผลไม้ที่ปร่อนมเมล็กออกได้แต่พระพิสุในยุคปัจจุบันนี้ไม่ได้ให้โยมทำกับปิยะเวลา ย, ยมเอาผลไม้ผักบุ้งบัวบกขา่าขิงหอมและกระเทียมเป็นต้นซึ่งเป็นพืชผักผลไม้ที่จะปลูก ข, ขึ้นได้มาถวายพระรับประเคนแล้ว ก็ฉันเลยโดยไม่คำนึงถึงวินัยข้อนี้การประพฤติวินัยเกี่ยวกับการทำกับปิยะที่มีอยู่ในเวลานี้จะเห็นได้บ้างก็เฉพาะพระที่ยังใคร้ศึกษาพระวินัยอยู่บางแห่งเท่านั้นนอกนี้แล้วไม่ปรากฏให้เห็นคงเป็นเพราะไม่รู้หรือคิดว่าเป็นเรื่องจุกจิกหยุมยิม วุ่นวายหรือเพราะชอบอะไรง่ายๆดังนั้นขึ้นชื่อว่าพระวินัยบัญญัติแล้วจะยากง่ายอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกประพฤติตามใจชอบของตนได้พืชผักผลไม้ที่ต้องทำกับเบีะยผลไม้ทั้งหมดที่มีเมร็งงอกขึ้นได้ ปลูกขึ้นได้เช่นเงาะทุเรียนมังคุดมะปางส้มส้มโอแตงโมงลังศาด ส, สมอมะขามป้อมและพริกเป็นต้นผลไม้เหล่านี้ถ้าโยมเอาเมร็ดออกแล้วก็ไม่ต้องทำกับปิยะผลไม้อ่อนที่ไม่มีเมร็ดหรือมีเมร็ด แต่ยังใช้เพาะพันธุ์ไม่ได้ผลไม้แก่ที่มีเมล็ดรีบใช้เพาะพันธุ์ไม่ได้หรือไม่มีเมล็ดเช่นองุ่นแตงโมฝรั่งเป็นต้นในปัจจุบันนี้และผละไม้ที่สามารถแกะเมล็ดออกได้เช่นละมุดข น, นุนทุเรียนส้มโอแตงโม รำยญ่และลิ้นจีเป็นต้นในเวลาฉันให้เอาเมร็ดออกก่อนค่อยฉันไม่ต้องทำกัปปิยะเพราะเป็นกัปปิยะในตัวดังที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้ดูก่อนพิสุทั้งหลายเราอนุญาตให้ฉันผลไม้ที่ยังอ่อนใช้เพาะพันธุ์ไม่ได้หรือที่ปร่อนเมลร็ดออกได้ยังไม่ได้ทำกัปปิยะก็ฉันได้ ผักสดที่ปลูกขึ้นได้ด้วยยอดเช่นผักแว่นผักกระเฉดผักบุ้งแมงรักและบัวบกเป็นต้นผักสดที่ปลูกขึ้นได้ด้วยเหง้าหรือหัวเช่นกระชายตะไคร้ไพรขมิน้นหอมและกระเทียมเป็นต้นของเคี้ยวที่ปลูกขึ้นได้ด้วยข้อ เช่นอ้อยเป็นต้นพืชผักสมุนไพรและผลไม้ที่มีมเมล็ดปลูกขึ้นได้เหล่านี้ต้องทํากัปปิยะเสียก่อนจึงค่อยนํามาฉันถ้ายังไม่ได้ทํากัปปิยะนํามาฉันต้องอาบัตถุ ก, กฎผู้ทํากัปปิยะเรียกว่ากัปปิยะการกพิสุจะทํากัปปิยะด้วยตนเองไม่ได้ ต้องให้อนุปสัสมบันสั ม, มเณรหรือโยมทำให้จึงสมควรผู้ทากัปปิยะเรียกว่ากัปปิยะการกเวลาสั ม, มเณรหรือโยมเอาผลไม้มีเมล็ดที่ปลูกขึ้นได้มาถวายพอเขาเข้ามาใกล้ๆพระจะบอกให้เขาทำกัปปิยะก่อนถวายหรือหลังรับประเคนก็ได้ วิธีทํากัปปิยะพระผู้บอกพูดว่ากัปปิยังกัโรหิแปลว่าเธอจงทําให้สมควรสามเณนหรือโยมผู้ทําเอามือข้างหนึ่งจับผลไม้มือข้างหนึ่งจับมีดเป็นต้นแล้วกรีดผ่าหรือแทงลงไปที่ผลไม้นั้นพร้อมพูดว่ากัปปิยังพันเต แปลว่าสมควรแล้วครับผู้บอกให้ทากับผู้ทากับปิยะนั้นจะพูดภาษาไทยก็ได้เช่นผู้บอกให้ทาพูดว่าทำผลไม้ให้สมควรหน่อยผู้ทาเอามือจับผลไม้แล้วเอาเล็บจิกลงไปที่ผลไม้พร้อมพูดว่าสมควรแล้วครับการทำกับปิยะนั้น ต้องทำต่อหน้าพระผู้บอกและต้องใช้คำพูดที่เป็นปัจจุบันการจะทำรับหลังคือทำก่อนพระบอกไม่ได้และใช้คำพูดที่เป็นอดีตหรืออนาคตการก็ไม่ได้เช่นพูดว่าผมได้ทำกัปปิยะแล้วครับหรือผมจะทำกัปปิยะครับการทำกัปปิยะผักสด และลำอ้อยที่ปลูกขึ้นได้เป็นต้นก็ทำเหมือนกับผลไม้ทุกประการส่วนพริกนั้นถ้าเป็นเมล็ดโยมใส่ถ้วยหรือถุงรวมติดกันอยู่หลายเมล็ดทำกับปิยะเพียงเมล็ดเดียวก็พอแต่อย่ายกขึ้นจากกลุ่มถ้ายกขึ้นจากกลุ่มถือว่าทากับปิยะเฉพาะเมล็ดเดียวสาหรับเมล็ดพริก ถ้ากระจายอยู่ในถ้วยก๋วยเตี๋ยวถ้วยข้าวต้มหรือในน้ำพริกตาแดงน้ำป่าพริกมะนาวต้องทำกับปิยะทีรเมตร็ตเว้นพริกที่ผ่านการคั่วให้สุกด้วยไฟและพริกอ่อนไม่ต้องทำกับปิยะอีกถ้าเมล็ดพริกรวมติดกันอยู่เช่นเขาปนใส่กับข้าวสุกหรือน้ำพริกค้นเป็นก้อนติดกันอยู่ ทำกับปิย ะ, มะเมล็ดเดียวก็ได้วัตถุที่ใช้ทำกับปิยะไฟใช้ไฟฟืนไฟถ่านเป็นต้นจี้เผาลวกลงที่ผักผลไม้เป็นต้ น, ต น, ตนโดยทำให้เป็นรอยมีดมีทั่วไปมีดตัดเล็บหรือเข็มโดยใช้กรีดตัด ฝานผ่าและแทงลงไปที่ผักหรือผลไม้เป็นต้นทำให้ขาดหรือเป็นรอยเล็บเล็บคนเล็บสัตว์สีเท้าเช่นเล็บราชสีเสือโครง่งเสือเหลืองเสือดาวเสือดำหมีลิงเป็นต้นและเล็บสัตว์สองเท้าเช่น เล็บไก่นกที่แหลมคมโดยใช้เล็บเหล่านี้จิกลงไปที่ผักหรือผลไม้เป็นต้นทําให้เป็นรอยเล็บเหล่านี้ต้องเป็นเล็บดีเล็บเน่าใช้ไม่ได้พระตัดต้นไม้วัชพืชต่างๆไม่ได้พระตัดต้นไม้วัชพืชต่างๆไม่ได้ พระพิสุจะตัดต้นไม้ต่างๆตลอดจนถึงวัชพืชมีหญ้าเป็นต้นไม่ได้จะทําด้วยเหตุผลว่าเพื่อให้วัดวาอารามสะอาดน่าอยู่อาศัยหรือเพราะทางวัดไม่มีคนวัดจึงต้องทําเองเมื่อพระไม่ทําแล้วใครจะทําหรือด้วยเหตุผลต่างๆที่นอกจากนี้ก็ตามทีพระตัดต้นไม้ หรือถากวัชพืชมีหญ้าเป็นต้นไม่ได้อยู่ดีเพราะมีสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ดังนั้นพระต้องใช้สามเณรคนวัดหรือคนทั่วๆไปกระทาให้จึงสมควรต่อพระวินัยมูลเหตุที่ทรงบัญญัติห้ามตัดต้นไม้เรื่องมีมูลเหตุเกิดขึ้น ในสมัยเมื่อพระพุทธองค์ทรงพระชนอยู่มีเรื่องราวปรากฏอยู่ในพระวินัยปิดกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่อัคคารวีเจดี JD, เขตเมืองอารวีครั้งนั้นพวกพิสุชาวเมืองอารวีทำการก่อสร้างเป็นอันมากได้ตัดต้นไม้เอาเองบ้างใช้คนอื่นตัดให้บ้าง แม้พิสุชาวเมืองอารวีรูปหนึ่งก็จะทำการตัดต้นไม้ต้นหนึ่งลุคเทวดาได้ขอร้องท่านว่าท่านผู้เจริญท่านประสงค์จะสร้างที่อยู่ของท่านขอโปรดอย่าตัดต้นไม้อันเป็นที่อยู่ของข้าพเจ้าเลยพิสุรูปนั้นไม่ได้เอื้อเฟื้อคำขอร้องของเทวดาจึงได้ตัดต้นไม้นั้น และฟันไปถูกแขนลูกของเทวดาเข้าลุกขเทวดาโกรธแล้วคิดว่าเอาเถิดเราจะฆ่าพิสุรูปนี้เสียณนะที่นี้แหละแต่ก็คิดต่อไปว่าเราจะฆ่าพิสุรูปนี้ไม่สมควรเลยถ้าอย่างไรเราควรกลับทุนเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าดังนั้นจึงได้ไปเข้าเฝ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลพระองค์ทรงทราบเรื่องแล้วประธานสาธุการว่าดีแล้วดีแล้วเทวดาดีจริงที่ท่านไม่ได้ฆ่าพิสุรูปนั้นถ้าท่านฆ่าพิสุรูปนั้นในวันนี้ตัวท่านเองจะได้รับบาปเป็นอันมากไปเถิดเทวดาต้นไม้ในที่โน้นว่าง ท่านจงเข้าไปอยู่ในต้นไม้นั้นเมื่อชาวบ้านทราบเรื่องเข้าจึงติเตียนโดยประการต่างๆว่าชะไหนพวกสมณะเชื้อสายสักยบุตรจึงได้ตัดต้นไม้เองบ้างใช้ให้คนอื่นตัดบ้างพระสมณะเชื้อสายสักยบุตรทั้งหลายร่วมกันเบียดเบียนอินทรีย์อย่างหนึ่งที่มีชีวะ เรื่องนี้ได้ยินถึงพิสุผู้มีศีลท่านจึงได้กราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบแล้วทรงเรียกพิสุนั้นมาถามเมื่อทรงทราบความจริงแล้วทรงตาหนิแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงว่าเป็นอาบัตปาจิตตีในเพราะภาคภูตาคาม พระวินัยข้อนี้ถูกบัญญัติขึ้นเพราะพระไปตัดต้นไม้ชาวบ้านในยุคนั้นเข้าใจว่าต้นไม้ผลไม้ที่มีเมล็ดปลูกขึ้นได้มีชีวิตเห็นพระตัดต้นไม้จึงติเตียนพระพุทธองค์ทรงห้ามพระตัดต้นไม้ตั้งแต่นั้นมาถึงแม้ว่าพระพุทธองค์ทรงทราบดีว่าต้นไม้นั้น ไม่ได้มีชีวิตตามความเข้าใจของคนยุคนั้นเลยก็ตามแต่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาใคร่จะอนุเคราะห์คนเหล่านั้นให้เขาได้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนานี้เสียก่อนโดยเหตุที่เห็นพระพุทธสุภพฤิธรรมวินัยเมื่อคนเหล่านั้นได้มีโอกาส มาศึกษาคำสอนในพระพุทธศาสนาโดยผ่านการชี้แจงถึงเหตุผลตามความเป็นจริงจากพิสุกก็จะคลายความเห็นของตนได้จึงทรงบัญญัติสิกขาบทนี้เพื่ออนุโลมตามความเห็นของคนยุคนั้นเพราะพระพุทธศาสนามีความเป็นอยู่เนื่องด้วยชาวบ้านถ้าชาวบ้านไม่ศรัทธาแล้ว ก็คงอยู่ไม่ได้พอมาถึงยุคนี้พระลืมมูลเหตุของต้นบัญญัติเสียจึงไม่ใส่ใจแนะนำโยมให้ทำกับปบิยะพระสั่งให้ตัดต้นไม้โดยไม่เป็นอาบัติหนึ่งถ้าพระต้องการให้สามเณรหรือโยมตัดต้นไม้เถาวันเป็นต้นอย่าบอกว่า ตัดต้นไม้นี้2ถ้าบอกว่าตัดก็อย่าเจาะจงต้นไม้พูดเพียงว่าเธอจงตัดต้นไม้ตัดเถาวัลเป็นต้น3ถ้าเจาะจงต้นไม้อย่าบอกว่าตัด4ควรใช้กับปิยะโวหารคือคำพูดที่สมควรว่า อิมังปุกพังวาผะรังวาชานะแปลว่าเธอจงรู้ดอกไม้นี้หรือผลไม้นี้อิมังเทหิแปลว่าเธอจงให้ผลไม้นี้อิมังอาหาระแปลว่าเธอจงนําผลไม้นี้มา อิมินาเมอัโทโถแปลว่าเราต้องการผลไม้นี้อิมังกับปียังกโรหิแปลว่าเธอจงทำผลไม้นี้ให้สมควรกับปียะโวหารเหล่านี้จะใช้เฉพาะภาษาไทยก็ได้เช่นเธอจงรู้ดอกไม้นี้เป็นต้น หรือจะใช้คำบาลีย่อๆเช่นกัปปิยังกัโรหิเทหิอาหาระชานะอัโทโธเป็นต้นคำใดคำหนึ่งก็ได้ดังตัวอย่างเพิ่มเติมที่ท่านแสดงไว้ว่าเธอจงรู้มูลเพศนี้จงให้ลากไม้หรือใบไม้นี้ก็ดี จงนำต้นไม้หรือเถาวันนี้มาก็ดีเราต้องการดอกไม้ผลไม้หรือใบไม้นี้ก็ดีจงทำต้นไม้เถาวันหรือผลไม้นี้ให้เป็นกัปปิยะให้สมควรก็ดีด้วยคำเพียงเท่านี้ย่อมเป็นอันพิสุกกระทำการปดเปื้อนภูตคามบรรดามเมล็ดทั้งหลาย ที่รากและหนอ่องอกแล้วยังไม่เขียวเป็นพีชะคามส่วนหน่อและรากที่งอกแล้วมีใบสีเขียวเป็นภูตคามเมื่อพิสุบริโภคควรใช้ให้อนุปะสามบันคือสา ม, มาเณรหรือโยมทำกับปิยะซ้ำอีกเพื่อปดเปื้องพีชะคามคือมะเร็ดเป็นต้น ที่จะใช้เพาะพันธุ์ได้พระใช้คำพูดเหล่านี้สั่งให้สามเณรหรือโยมตัดต้นไม้เป็นต้นไม่เป็นอาบัตการทำกัปปิยะดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแต่ถ้าเข้าใจถึงวิธีการทำแล้วก็ไม่ยากอะไรเพราะฉะนั้นทั้งพระและโยมควรใส่ใจ ถึงเรื่องกัปปิยะนี้ให้ดีเมื่อทํากัปปิยะแล้วพระนามาฉันก็ไม่ต้องอาบัตตลอดจนถึงโยมเองผู้ทํากัปปิยะก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ช่วยพระให้พ้นจากอาบัตอีกด้วยถ้าโยมต้องการช่วยพระที่ไม่เข้าใจวินยัยและไม่ใส่ใจในการทํากัปปิยะ ไม่ให้ต้องอาบัดในเรื่องนี้เวลาจะเอาผลไม้ที่มีมะเร็สปลูกขึ้นได้ไปถวายพระทางที่ดีควรแกะมะเร็สออกก่อนถ้าเป็นผักสดควรเป็นผักที่ปลูกไม่ขึ้นเช่นผักกาดขาวผักคะนา้ากระลำปีแตงกวาถั่วฝักยาวเป็นต้นถ้าเป็นผักสด ที่ปลูกขึ้นได้ก็นำไปลวกหรือต้มเสียก่อนแล้วจึงนาไปถวายภายหลังพระจึงจะไม่เป็นอาบัติเวลาโยมเอาผลไม้ที่มีเมร็ดปลูกขึ้นได้หรือผักสดที่ปลูกขึ้นได้ไปถวายพระถ้าท่านรับแล้วนำผลไม้และผักเหล่านั้นไปฉัน โดยที่ไม่บอกให้โยมทำกับปิยะเสียก่อนจะต้องอาบัตทุกกดทันทีทั้งนี้ดูเหมือนว่าโยมมีส่วนไปทำให้ท่านต้องอาบัตหรือเพิ่มอาบัตให้ท่านอยู่เหมือนกันและโยมก็มีส่วนที่ทำให้พระต้องอาบัตหรือพ้นจากอาบัตได้เช่นเดียวกัน ถ้าเข้าใจเรื่องพระวินัยของพระบ้างซึ่งบางเรื่องก็เกี่ยวเนื่องกับโยมโดยตรงโยมควรอนุเคราะห์พระซึ่งบางรูปใครจะรักษาพระวินัยหรือบางรูปท่านก็ไม่เข้าใจในเรื่องนี้ถ้าโยมฉลาดเลือกวิธีที่ทำให้พระพ้นจากอาบัติได้ก็จะเป็นการดีทีเดียว และหน้าอนุโมทนาอย่างยิ่งกุศลผลบุญไม่ใช่น้อยจะตกอยู่กับโยมแน่นอน